บุ๊ก2 82ปดสิบสองอดีตกา ร, ราสอ2แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม แล้วคุณต้องเรียกหมอไหมแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับคุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ У вас есть адрес У меня ён только что был คุณมีแผนที่เมืองไหมครับเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ У вас есть карта города У меня яна только что была เขามาตรงเวลาไหมเขามาตรงเวลาไม่ได้ครับ ยนไป с в о ่ ч а с о в а Ён не мог п р ก й с ц і с в о ย ч а с о в а เขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบครับ Ён з н а й ш เ ў шлях Ён не мог знайсці шлях เขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจผมครับ мяне зразумець ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับทำไมคุณหาทางไม่พบครับทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครั บ, มมรบผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมย์ Я не могла п р รีจิตส่วยชั่สัวบุญี่บุโลอ а ต т о б у с а ผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Я не могла знайсці шлях, бо ุ мяне не б ง л о карты г о р อ д а ผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป Я не могла яго зразумець, бо музыка была вельмі гучная ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ ผมต้องซื้อแผนที่เมืองผมต้องปิดวิทยุ